เปิดขึ้นเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทํามย่างหนึ่งคืออะไรคือสังฆสมคีภิกษุทั้งหลายก็เมื่อสงพร้อมเพรียงกันย่อมไม่มีความบาดหมางกันไม่มีการข่มขู่กันไม่มีการด่าว่ากันและไม่มีการขับไล่กันในเพราะความสมคีของสงนั้นชนทั้งหลายที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใส ส่วนชนทั้งหลายที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าความสามาคีแห่งสง์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงผู้สามาคีกันแล้วผู้ยินดีในความสามาคีกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเป็นแดนกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับ เพราะสมานสงให้สมัครีกันแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าเดชสดับมาอย่างนี้แลสังฆะสมัคีสูตรที่9จบ 10. บปทุตตะจิตตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีจิตถูกปทุสร้ายแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดบมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรากาหนวดว่าระจิตของบุคคลผู้มีจิตถูกประทุษร้ายบางคนในโลกนี้ด้วยใจจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้จะถูกไหม้ในนรกเหมือนถูกนาไปฝังไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาถูกประทุษร้ายภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่จิตถูกประทุษร้ายนั่นเอง สัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้บุคคลบางคนผู้มีจิตถูกประทุสร้ายแล้วในโลกนี้จึงทรงขยายเนื้อความนี้ให้ชัดแก่ภิกษุในที่ใกล้ว่า ถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้ต้องไปเกิดในนรกเพราะจิตของเขาถูกประทุษร้ายเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนถูกนำไปฝังไว้ก็เพราะเหตุที่มีจิตถูกประทุษร้ายสัตว์ทั้งหลายจึงไปสู่ทุกติแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล ะ, ะทุตถะจิตตะสูที่สิบจบทุติยวัตจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โมหะปริญญาสูตร 2. โกธะปริญญาสูตร 3. มมัคะปริญญาสูตร 4. อวิชานีวรณะสูตร 5. ตันหาสังโยชนะสูตร 6. ปฐมมะเสขสูตร 7. ทธุติยะเสขสูตร 8. สังกะเพทสูตร เก้าสังฆสามคีสูตรสิบปทุตตจิตตะสูตรสามตติยะวัตหมวดที่สามหนึ่งประสันนจิตตะสูตรว่าด้วย บุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรากำหนดว่าระจิตของบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสบางคนในโลกนี้ด้วยใจจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้จะดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะจิตของเขาเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่มีจิตเลื่อมใสนั่นเองสัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าทรงรู้บุคคลบางคนผู้มีจิตเลื่อมใสในโลกนี้จึงทรงขยายเนื้อความนี้ให้ชัดแก่ภิกษุในที่ใกล้ว่าถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้ต้องไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะจิตของเขาเลื่อมใสเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ก็เพราะเหตุที่มีจิตเลื่อมใสสัตว์ทั้งหลายจึงไปสู่สุคติ แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลประสัรณจิตตะสูที่หนึ่งจบสองเมตสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตา แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาไปเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยคําว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขที่น่าปรารถนาะน่าใคร่น่ารักน่าพอใจเรารู้ชัดผลที่น่าปรารถนาะน่าใคร่น่ารักน่าพอใจของบุญที่เราทาไว้ตลอดกาลนาน เราเจริญเมตตาพรมวิหารมาถึงเจ็ดปีจึงไม่มาเกิดในโลกนี้อีกถึงเจ็ดสังวัตตวิวัตตกับทราบมาว่าเมื่อกลับพินาตไปเราบังเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นอาพาสระเมื่อกลับเจริญขึ้นใหม่เราบังเกิดอยู่ในพรหมวิมานที่ว่างเปล่าภิกษุทั้งหลายณนะพรหมวิมานนั้นเราเป็นพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยคุณธรรม เป็นผู้สามารถเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้บังคับจิตให้เป็นไปในอำนาจของตนได้พิสษุทั้งหลายเราเคยเป็นเท้าสักกะจอมเทพถึง36ชาติติดต่อกันเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีอำนาจแผ่ไปทั่วมหาสมุทรทั้งสี่เป็นผู้พิชิตชัยได้ทั้งภายในและภายนอกมีแว่นแคว้นมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการนับได้หลายร้อยครั้งไม่จำต้องกล่าวถึงการเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศราชเลยเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ด้วยผลของกรรมและวิบากของกรรมอะไรหนอภิกษุทั้งหลายเราตอบตนเองได้ว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ ด้วยผลของกรรมและวิบากของกรรมสประการคือ 1. ทานการให้ 2. ธรรมะการฝึกตน 3. สัญญะมะการสำรวมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกลา่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบัณฑิตพึงศึกษาบุญที่ดีเลิศมีความสุขเป็นกำไรเท่านั้นคือพึงบาเพ็ญทาน ประพฤติธรรมสม่ำเสมอและเจริญเมตตาจิตบันดิตครั้นบันเพนธรรมสามประการอันเป็นเหตุเกิดความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขซึ่งไม่มีการเบียดเบียนกันแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลเมตสูตรที่สองจบสอุพยัตสูตรว่าด้วย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 คือความไม่ประมาทในคุณสมธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งนี้แลที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองได้คือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคถาประพันดังนี้ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรเสริญความไม่ประมาทในการทาบุญทั้งหลาย บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสองที่รชนเราเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอุพยัถสูตรที่สามจบ สี่อิปุญฉสูตรว่าด้วยร่างกระดูกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาไปเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลคนหนึ่งพึงเล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดกับโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกถ้ามีคนรวบรวมเก็บไว้และไม่สูญหายไป ก็จะเป็นกองกระดูกใหญ่โตเท่าภูเขาเบปุละนี้แน่นอนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่ากองกระดูกของคนคนหนึ่งตลอดกับหนึ่งจะเป็นกองกระดูกเสมอเท่าภูเขา ภูเขาเวบุลละนี้นั้นเป็นภูเขากว้างใหญ่ตั้งอยู่ทางเหนือภูเขาคิชกูรเขตกรุงราชครึ่ของชาวมคตเมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกขความพ้นทุกขและอริยมรมีองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นบุคคลนั้นแล่นไปแล้วอีกเจดชาติเป็นอย่างยิ่ง ก็จะทำที่สุดทุกได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอาทิปุญชสูตรที่สจบหมุสาวาทสูตรว่าด้วยการกล่าวเทศแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลล่วงละเมิดทำอย่างหนึ่งแล้วเราขอบอกว่าบาปกรรมอะไรอะไรอย่างอื่นที่เขาจะไม่ทำนั้นย่อมไม่มีทำอย่างหนึ่งคืออะไรคือสัมปชานมุสาวาทการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมา น, นี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าคนที่ล่วงละเมิดทำอย่างหนึ่งมักกล่าวเทศเสมอปฏิเสธปรโลกจะไม่ทำบาปนั้นไม่มีแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าเรสดับมาอย่างนี้แหลมุสาวาทสูตรที่หจบ 6. ทา น, นสูตรว่าด้วยการให้ แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งทานเจตนาและการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้สัตว์เหล่านั้นไม่ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่บริโภคและมนทินคือความตรณีก็จะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นได้ แม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่สัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นให้แก่ปฏิคาหกก็จะไม่บริโภคภิกษุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งทานเจตนาและการจาแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ฉะนั้น สัตว์เหล่านั้นจึงไม่ให้ทานเสียก่อนแล้วบริโภคและมนทินคือความตรนีก็ครอบงำจิต ข, ของสัตว์เหล่านั้นได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้ผลของการจำแนกทานตามที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสไว้โดยวิธีที่วิบากนั้นจะมีผลมากอย่างนี้ พึงกาจัดมนทินคือความตรณีมีใจเลื่อมใสยิ่งพึงถวายทานตามการในพระอริยะทั้งหลายซึ่งเป็นเขตที่ทานอันบุคคลถวายแล้วมีผลมากอันหนึ่ง้ายกจำนวนมากถวายข้าวให้เป็นทักษิณาทานในพระทักษินายบุคคลทั้งหลายตายจากมนุษย์โลกนี้แล้วย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ครั้นไปเกิดในสวรรค์นั้นแล้วยังปรารถนาการมอยู่ แต่ไม่ตรณีก็จะบันเทิงในสวรรค์นั้นสวยผลของการจำแนกทานอยู่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทานสู่ที่หจบ เมตตาภาวนาสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพปเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมดไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตติเท่านั้นแพแสงบริสุทธิ์ แผดเผากิเลสรุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นแสงดาวทุกดวงรวมกันก็ยังสว่างไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งแสงจันแสงจันเท่านั้นกระจา่างสว่างสวัยรุ่งเรืองคมแสงดาวทั้งหมดนั้นชั้นใดบุญกิริยาวัตถุที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมดนั้นไม่ถึงเสี่ยวที่16แห่งเมตตาเจโตวิมุตชั้นนั้นเหมือนกันเมตตาเจโตวิมุตเท่านั้น แผ่แสงบริสุทธิ์แผดเผากิเลสรุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นเมื่ออากาศโปร่งปราศจากเมฆหมอกในสถานการในช่วงเดือนท้ายของฤดูฝนดวงอาทิตย์ลอยขึ้นอยู่บนอากาศแผ่แสงเจิดจ้าสว่างสวัยไล่ขจัดความมืดสลัวให้หมดไปชั้นใดบุญกิริยาวัตถุที่มีอุปถัเป็นเหตุทั้งหมดนั้น ไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งเมตาเจโต ว, วิมุตต์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมตาเจโต ว, วิมุตต์เท่านั้นแผ่แสงบริสุทธิ์แผดเผากิเลสรุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิยาวัตถุทั้งหมดนั้นภิกษุทั้งหลายในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีดาวประกายพลค์ทั้งหลายต่างทอแสงแพร่เผาระยิบระยับชั้นใดบุญกิยาวัตถุที่มีอุปติเป็นเหตุทั้งหมด ไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งเมตตาเจโตวิมุตต์ฉันนั้นเหมือนกันเมตตาเจโตวิมุตตเท่านั้นแผ่แสงบริสุทธิ์แผ่เพากิเลตรุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกริยาวัตถุทั้งหมดนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้มีสติตั้งมั่นเจริญเมตตาแผ่ไปไม่มีประมาณพิจารณาเห็นธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิ ย่อมมีสังโยชน์เบาบางหากบุคคลมีจิตไม่คิดประทุษร้ายสัตว์แม้ชีวิตเดียวเจริญเมตตาเป็นประจำอยู่ก็เป็นผู้ชื่อว่าฉลาดเพราะการเจริญเมตตานั้นแต่พระอริยบุคคลผู้มีใจอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมูเล่าชื่อว่าสังสมบุญไว้เป็นอันมากพระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับเรือสีทรงชนะใจหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินด้วยราชธรรม ทรงบูชายันคือสัจจะเมทะปุริสัเมทะสัมมาปาสะวาชะเปยยะและนิรักล ะ, สะเสด็จเที่ยวไปยันเหล่านั้นยังไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งเมตาเจโตวิมุตที่บุคคลเจริญดีแล้วเหมือนแสงหมู่ดวงดาวทุกดวงไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งแสงจันฉะนั้น ผู้มีเมตตาในสัตว์ทุกมูเ่เหล่าจะไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะไม่มีเวรกับใครๆแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แหลเมตตาภาวนาสูตรที่เจ็ดจบตติยวักจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือหนึ่ง ปสัจิตตสูตร 2. เมตตาสูตร 3. อุภยทศสูตร 4. อธิบุญชสูตร 5. มุสาวาทสูตร 6. ธานสูตร 7. เมตาภาวนาสูตรรวมพระสูตรในนิบาทนี้ในเอกนิบาทนี้มีพระสูตรรวมได้27สูตรคือในวักนี้มี7สูตร ในสองวัคข้างต้นมี20สูตรเอกานิบาตจบสองทุ ก, กานิบาตหนึ่งปฐมวัคหมวดที่หนึ่งหนึ่งทุกขวิหารสูตร ว่าด้วยทำเครื่องอยู่เป็นทุกข์แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมอยู่เป็นทุกข์อึดอัดคับแ้นกระวนกระวายในปัจจุบันนี้หลังจากมรณภาพแล้วพึงหวังได้ทุกขติ ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 2. ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสองประการนี้แลย่อมอยู่เป็นทุกข์อึดอัดคับแค้นกระวนกระวายในปัจจุบันนี้หลังจากมรณะภาพแล้วพึงหวังได้ทุกขติ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดไม่คุ้มครองทวารทั้งหกนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมประสบทุกข์ทั้งทางกายและทางใจภิกษุเช่นนั้นจะมีแต่ความรุ่มร้อนกายเร่าร้อนใจ ชื่อว่าอยู่เป็นทุกข์ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุกขวิหารสูตรที่หนึ่งจบสองสุ ข, ขวิหารสูตรว่าด้วยทำเครื่องอยู่เป็นสุขแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมอยู่เป็นสุขไม่อึดอัดไม่คับแค้นไม่กรวนกรวายในปัจจุบันนี้หลังจากมรณะภาพแล้วพึงหวังได้สุคติธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 2. ความรู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แหลย่อมอยู่เป็นสุขไม่อึดอัดไม่คับแค้นไม่กระวนกระวายในปัจจุบันนี้หลังจากมรณภาพแล้วพึงหวังได้สุคติพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุดใดคุ้มครองทวารทั้งหนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ทั้งรู้จักประมาณในการบริโภคสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมประสบสุขทั้งทางกายและทางใจภิกษุเช่นนั้นจะไม่มีความรุ่มร้อนกายเร่าร้อนใจเลยชื่อว่าอยู่เป็นสุขทั้งกลางวันและกลางคืนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าเดสดับมาอย่างนี้แหลสุขวิหารสูตรที่สองจบ 3. ตปปนียสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้เดือดร้อนแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทำเป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ ไม่ได้ทําบุญเครื่องต่อต้านความหวาดกลัวทุกไว้ทําแต่ความชั่วทําแต่ความหยาบช้าทําแต่ความร้ายกาจไว้หนึ่งเขาคิดว่าเราไม่ได้ทําความดีไว้จึงเดือดร้อน 2. เขาคิดว่าเราทําแต่ความชั่วจึงเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายทําที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามทำกายทุจริตวจีทุจริตมนูทุจริตและอากุศลกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษไม่ทำกุศลกรรมไว้ทำแต่อากุศลกรรมไว้มากมายหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในนรกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล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 พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทำไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำความดีไว้ทำกุศลไว้ทำบุญเครื่องต่อต้านความหวาดกลัวทุกไว้ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความหยาบช้าไม่ได้ทำความร้ายกาดไว้หนึ่งเขาคิดว่า เราทําความดีไว้จึงไม่เดือดร้อน 2. เขาคิดว่าเราไม่ได้ทําความชั่วไว้จึงไม่เดือดร้อนภิกษุ์ทั้งหลายทําไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสอประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังต่อไปนี้บุคคลผู้มีปัญญาและกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต และอกุสุลกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษได้แล้วไม่ทำอกุสุลกรรมไว้ทำแต่กุสุลกรรมไว้มากมายหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสวรรค์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอาตตะปะนิยสูที่สจบ 5. ปฐมมัสยละสูรว่าด้วยศีลและทิฏฐิ ที่แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สระดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลวิบัติความวิบัติแห่งศีลสมิชชัิจิ ความเห็นผิดภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่านรชนผู้มีปัญญาสามประกอบด้วยธรรมสองประการนี้คือศีลวิบัติและมิชชัทิฐิหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรก แม่เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แหละปฐมมศีลสูตรที่ห้าจบ6ทุติยศีลสูตรว่าด้วยศีลและทิฏฐิสูตรที่สองแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยทำสองประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. ศีละสมบัติความสมบูรณ์แห่งศีล 2. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสองประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้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 อาตาปีสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่มีความเพียรแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเพียรไม่มีอตตปะจึงไม่ควรเพื่อตรัสรู้ไม่ควรเพื่อนิพพานไม่ควรเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีความเพียรมีโอตระปานั้นแหลจึงควรเพื่อตรัสรู้ควรเพื่อนิพพานควรเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมา น, นี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตระปาเป็นผู้เกียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อน มักท้อแท้ง่วงซึมไม่มีหิริไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อธรรมเช่นนี้ย่อมไม่ควรเพื่อจะบรรลุสัมโพธิอันยอดเยี่ยมได้แต่ภิกษุผู้มีสติมีปัญญารักษาตนมีฌานมีความเพียรมีโอตตปะและไม่ประมาทตัดสังโยตในชาติชาราได้แล้วพึงบรรลุสัมโพธิอันยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้ แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แหลอาตาปีสูตรที่เจ็ดจบ 8. ปรฐมมานกุหณะสูตรว่าด้วยการไม่หลอกลวงสูตรที่หนึ่งแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้ไม่ใช่เพื่อจะลวงคนม่ใช่เพื่อจะเกลี้ยกล่อมคนม่ใช่เพื่ออานิสงค์คือลาบสักระและการสรรเสริญม่ใช่เพื่อให้คนรู้ว่าคนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้แท้จริงภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้ก็เพื่อสังวรและเพื่อปหานะเท่านั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นโดยทรงแสดงพรหมจรรย์อันเป็นธรรมกำจัดความจันไรทำให้สัตว์ถึงนิพพานเพื่อสังวรเพื่อปะหานะทางนี้ท่านผู้ใหญ่ผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ดำเนินไปแล้วอันหนึ่งเราชนผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชื่อว่าทาตามคาสั่งสอนของพระาศาสดา จากทมที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้แหละปฐมมณกุหนสูตรที่8ดจบ ติยะนกุหณะสูตรว่าด้วยการไม่หลอกลวงสูตรที่สองแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้มิใช่เพื่อจะลวงคนมิใช่เพื่อจะเกลี่ยนกลอมคนมิใช่เพื่ออนิสงค์คือลาบสักการะและการสรนเสริญ มิใช่เพื่อให้คนรู้ว่าคนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้แท้จริงภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้ก็เพื่อความรู้ยิ่งและเพื่อความรอบรู้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าว น, นี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทรงแสดงพรหมจรรย์อันเป็นธรรมกาจัดความจันไร ทำให้สัตว์ถึงนิพพานก็เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรอบรู้ทางนี้ท่านผู้ใหญ่ผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ดำเนินไปแล้วอันหนึ่งเราชนผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชื่อว่าทําตามคำสั่งสอนของพระศาสดาจากทําที่สุดแห่งทุกได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล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 และย่อมเริ่มประกอบความเพียรโดยแยบคายเพื่อความสิ้นอาสวะทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. ความมีสังเวคธรรมในฐานะที่ควรมีสังเวคธรรม 2. ความเพียรโดยแยบคายแห่งบุคคลผู้มีสังเวคธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสองประการนี้แลย่อมอยู่อย่างมีความสุขสมนัดมากในปัจจุบัน และย่อมเริ่มประกอบความเพียรโดยแยบคายเพื่อความสิ้นอาสวะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมา น, นี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีความเพียรมีปัญญารักษาตนพิจารณาเห็นชอบด้วยปัญญาควรมีสังเวคธรรมในฐานะที่ควรมีสังเวคธรรมทีเดียวภิกษุผู้มีความเพียรมีความประพฤติสงบไม่ฟุ้งซ่าน มันประกอบอุบายเป็นเครื่องสงบใจอยู่อย่างนี้พึงถึงความสิ้นทุกข์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโซมนัสสูตรที่ส0บจบปทมมวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ทุกขวิหารสูตร 2. สุขวิหารสูตรสตปปนนิยสูตร 4. อาตาปนิยสูตร 5. ปฐมมศีลสูตร 6. ทุติยศีลสูตร 7. อาตาปีสูตร 8. ปฐมมณกุหณะสูตร 9. ทุติยานกุหณะสูตร 10. สมมนาสสูตร